สวัสดีครับจะสอบถามว่าทํำยังไงอะครับที่หลวงพ่อบอกว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดับรลดับไปอย่างเงี้ยครับทํำยังไงนะครับมันไม่ใช่คือถ้าเราพูดถึงในความเป็นจริงอะครับยังไงเราก็มันก็ต้องมีอยู่แล้วเราเราอย่างเงี้ยครับโดยปกติคนปกติที่เราเห็นการทุกวันเนี่ยแต่ทางสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคือมันมันไม่ใช่ว่าใครก็จะเป็นได้ใช่ไหมครับแต่ที่เนี้ย มันต้องทํำยังไงอะครับเออพอดีตอนต้นหลายการเนาะหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างยกตัวอย่างอ่าสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับแต่ว่าเดี๋ยวหลวงพ่อพูดซ้ําอีกทีหนึ่งเนาะเอาตัวอย่างที่ ท, ที่ที่ได้จากการการกระทํานี่แหละหลวงพ่อก็บอกว่าเราลองแบบนี้ก็ได้เช่นสมว่าเรายืนอยู่ในที่ร่มเนาะที่ไม่มีแสงแดดส่องถึงแล้วก็พอถัดไป ไปที่ชายคาอ่าไปที่นอกนอกอาคารเนี่ยมันก็จะมีแสงแดดนะแสงแดดก็คือความร้อนส่วนในร่มเนี่ยมันก็จะเย็นนะทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยการศึกษาสิ่งที่เกิดเองดับเองเนี่ยก็ลองเล่นเล่นก็ได้อะไรก็ได้ลองมาอยู่ในร่มดูแล้วก็แล้วก็ตอนนั้นมันอาจจะรู้สึกไม่ได้ว่ามันมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็เดินออกไปที่ที่มีแสงแดดอ่านะแล้วก็ แล้วก็เดินเข้ามาในร่มแล้วก็เดินไปที่มีแสงแดดหลวงพ่อก็พูดเหมือนกับว่าชี้นำอ่ะเนาะบอกว่าเอาเห็นไหมล่ะตอนที่เดินไปอยู่ที่อ่าที่มีแสงแดดแสงแดดถูกตัวเราเนาะมันก็ร้อนอย่างนี้เรียกว่าความร้อนเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นในตัวที่ตัวแหละเพราะว่ามันกระทบกันแล้วก็รู้สึกร้อนขึ้นมาแล้วก็พอเข้ามาในร่มเนาะความร้อนดับไปความเย็นนะความสบายเนี่ยความเย็นก็ เกิดขึ้นแล้วก็เดินออกไปในที่มีแสงแดดอีกเอา้าความเย็นความสบายหายไปมันก็เป็นความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เดินเข้าเดินออกเนี้ยสัมผัสเรียนรู้สังเกตเนาะเพราะว่ามันรู้ได้นี่เนาะมันต้องรู้ได้อยู่แล้วแหละทีนี้พอสังเกตหลวงพ่อก็ชี้ให้เห็นว่าเห็นไหมละ่ะความร้อนน่ะความร้อนมันเกิดของมันเองนะเราไม่ได้สั่งให้ร้อนนะความเย็นความสบาย อ่ามันก็เกิดของมันเองเราก็ไม่ได้สั่งมันนะแล้วเวลามันดับเวลามันดับเช่นมันร้อนอยู่เนาะพอเข้ามาในร่มความร้อนดับเอา้าเราก็ไม่ได้ทำเราก็ไม่ได้สั่งเออแล้วก็พอจากในร่มออกไปถูกแสงแดดเอา้าความเย็นที่เคยสบายอยู่มันก็ดับไปกลายเป็นความร้อนเกิดขึ้นมาแทนอันเนี้ยเรียกว่ามันมีความเกิดความดับของ ความร้อนกับความความเย็นสบายทีนี้พอมาเป็นอย่างเนี้ยเราก็มองมองหัดแยกให้เป็นว่าอ๋อความร้อนนี่มันก็อย่างหนึง่งความเย็นก็อย่างนึงมันคนละอย่างกันแล้วก็ไอตัวรู้เนี่ยไอตัวที่รู้ถึงความร้อนความเย็นเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงแล้วความรู้เราก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาว่าให้รู้แต่มันรู้ของมันได้เองว่า เย็นก็รู้ร้อนก็รู้แล้วก็เห็นถึงความเกิดขึ้นความดับไปหลวงพ่อก็บอกว่าอะทั้งนั้นเมื่อรู้อย่างนี้เสร็จแล้วลองสั่งดูบ้างสั่งว่าเอา้าเวลาไปยืนตากแดดเนาะไปยืนกลางแดดเนี่ยมันร้อนใช่ไหมแล้วก็ลองสั่งดูบอกเอออออย่าร้อนดิอย่าร้อ น, ออนให้มันเย็นเลยหรือว่าสั่งว่าอย่าร้อนนะมันไม่ฟังมันไม่ฟังเราเลย สิ่งที่เราพูดไปไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรเลยนะหรือว่าพอเข้ามาในร่มลองแก้งสั่งบอกว่าให้ร้อนดิให้ร้อนอย่าเย็นนะอย่าสบายนะมันก็ไม่ฟังเสียงอีกมันก็มันก็เย็นของมันเองตรงนี้แหละเลยบอกว่าสั่งอะไรก็ไม่ได้เหตุที่เป็นอย่างนี้พูดโดยรวมก็คือว่าทุกอย่างเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีเราเราไม่ได้ทาให้เกิดเราไม่ได้ทำให้มันดับ ตรงนี้ก็เลยพอจะเห็นได้ว่าความร้อนก็ไม่ใช่เราความเย็นหรือความสบายก็ไม่ใช่เราแม้กระทั่งไอ้ที่รู้ความร้อนความเย็นมันก็ไม่ใช่เราตรงนี้ก็เริ่มจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนาะมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันไม่มีเราในความร้อนไม่มีเราในความเย็นไม่มีเราในการรับรู้ อันนี้แค่หลวงพ่อยกยกตัวอย่างอย่างนี้ไงแล้วก็ต่อไปก็ลองไปทําอย่างอื่นบ้างแล้วก็ลองลบตัวอย่างหมายถึงว่าลองศึกษาเรียนรู้อีกว่ามันเป็นเราได้ไหม น, น่ะในในแต่ละอย่างแต่ละอย่างปรากฏว่าไม่อาจจะเป็นเราได้เลยเพราะว่าไอ้แต <accidental> ่ละ <ไป S 2> อย่างอะ่ะมันเป็นเราได้ไงอ่ะความร้อนอย่างเดียวในรวมลองพิจาณาดูนะความร้อนอย่าง เ, เดียวคครรัับบปไ้หลวงงพพ่ออขาม หลวงพ่อข้ามไปครับหมายความาย่าเตามตัวอย่างที่หลวงพ่อพูดเลยนะครับคือพอเราออกไปตากแดดใช่ไหมครับเราร้อนใช่ไหมครับใครร้อนครับเราร้อนไงครับแต่หลวงพ่อไม่พูดถึงตรงนี้ไงครับอ๋อคือเอาอย่างนี้ทราบหลวงพ่อจะพูดนะคือคนที่ไม่ได้เรียนธรรมะคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของธรรมชาติคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องสภาวธรรม เขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นความหลมผิดที่เคยยึดถือมานานแสนนานไม่รู้กี่พบกี่ชาติคือความว่ า, วารจริงๆอ่ะเนี่ยคือผมบอกผมก็กล้าพูดเลยนะครับว่าคนในกลุ่มนี้ยทุกคนก็สนใจธรรมะกลุมทั้งผมด้วยนะครับคือแล้วทุกคนที่สนใจธรรมะออกไปแดดเจอความทุกทุกคนทุกหมดครับถ้าเกิดหลวงพ่อบอกว่าคนนั้นไม่สนใจไม่เรียนธรรมะครับคือผมก็ขอถามนะครับไอ้คนที่มานั่งอยู่ในนี้ตากแดดแล้วไม่ร้อนหรอครับร้อนหมดแหละครับถูกต้องร้อนไง ถึงหลวงพ่อบอกว่ามันต้องรอนนอนแต่ว่าแล้วหลวงพ่อจะบอกว่าคนที่คนที่ร้อนคือคนที่ไม่เรียนธรรมะอย่างเงี้ยครับมันมันถูกต้องแล้วเหรอครับมันเหมือนมันว่าทุกคนในคลองนี้เลยนะครับถ้าพูดอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อครับเดี๋ยวฟังให้ดีนะบางทีเราเราฟังอาจจะข้ามไปหลวงพ่อพูดถึงสภาวะธรรมว่าความร้อนเนี่ยความร้อนก็คือเป็นสิ่งที่เกิดเองดับเองเราหมายถึงว่าเราเนี่ยที่เป็นตัวตนเนี่ยเราไม่ได้สั่ง แต่มันก็เกิดของมันเองเลยชี้ให้เห็นว่าความร้อนเนี่ยมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์คือสภาวะความร้อนมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมมันเป็นธรรมชาติมันเป็นความร้อนเออทีนี้ถ้าคนหลงไงคนหลงก็คือหมายความว่าผู้ที่ยังไม่เข้าใจธรรมะก็ไปหลงยึดความร้อนว่าเป็นเราเห็นไหมอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะความหลงผิดไปยึดถือความร้อนแต่ถ้าไม่หลงผิด ไม่มีผู้ยุคฮะไม่มีผู้ไปหลงยึดถือเนาะความร้อนมันก็ยังเป็นความร้อนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วมันก็เวลามันดับไปมันก็คือดับไปมันมันไม่ได้เกี่ยวกับกับอะไรมันแค่เป็นสิ่งเกิดสิ่งดับแค่นั้นเองความร้อนเกิดแล้วก็ความร้อนดับนั้นแหะสิ่งเกิดดับมนแหละถ้าเข้าใจถูกต้องแล้วเนาะมันก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มั น, เ ป, นเป็นธรรมชาติเป็นเป็นปกติธรรมดาดพอเข้าใจแนละ้วสินี้ครับ เข้าใจครับก็คืออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกง่ายครับก็ถูกต้องไงอุ ป, ปทานก็นคือยึดเนาะยึดถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ไม่ทุกอะไรเพราะฉะนั้นที่มันทุกก็เพราะว่าไปยึดพอยึดปั๊บมันเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ผู้ยึดอ่ะผู้ที่ไปยึดเป็นตัวเป็นตนผู้นั้นแล้วก็ทุกเองแต่ถ้าไม่ยึดไม่ยึดก็คือมีแต่สภาพธรรมะที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเนาะมันก็เป็นอยู่อยู่อย่างนั้นแหละก็ไม่มีใครทุกอะไรเอ เนี่ยที่เราเราคุยธรรมะก็คุยอะไรก็คุยเพื่อให้เห็นแจ้งให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีมีแต่สิ่งเกิดสิงดับก็คุยกันเพื่อให้เกิดปัญญาจะได้ถอดถอนความเห็นผิดในปัจจุบันก็หมายความว่าในปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้เนาะถ้าเข้าใจถูกมันก็พ้นทุกได้เลยเห็นไหถ้าก็าจะถูกเนาะพ้นทุกในปัจจุบันเลยแต่ถ้าเข้าใจไม่ถูกก็ค่อยๆฟังไปจนกว่าจะ เข้าใจถูกเข้าใจถูกขณะใดก็คือพ้นทุกขณะนั้นเลยง่ายๆครับทีเนี้ยพอเข้าใจถูกแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ร้อนไม่มีเราถูกต้องไหมครับอ๋อร้อนเหมือนเดิมร้อนตามธรรมชาติก็มีเกิดเกิดดับดับอย่างนี้แหละแต่ไม่มีเราเป็นผู้ร้อน <c oughs> คือต่อให้เข้าใจถูกอ่ะครับก็ยังร้อนเหมือนเดิมมันก็ยังมีเราอยู่อย่างเนี้ยครับอ๋อไม่มีเราสิเราไม่มีมันต้อง คือเราจริงๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันมีแต่ความหลงผิดว่ามีเราเอาผมพูดถึงคนปัจจุบันเนี่ยครับคนธรรมดาที่ยังไม่บรรลุธรรมที่ยังมีอุปทานขันอยู่อย่างนี้ครับอืมต่อให้เข้าใจอย่างที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อสอนถูกต้องไหมครับว่ามันไม่มีถูกต้องไหมครับหลวงพ่อพูดให้เท่าไหร่อย่างเนี้ยครับให้คนเข้าใจด้วยตักจะได้เหตุผลเท่าไหร่อย่างเนี้ยครับเขาก็ทําใจไม่ได้ก็ก็ต้องฝึกต่อถูกต้องไหมครับเออถูกองคือต้องฝึกต่อไปอะถูกครับครับ แล้วที่นี่คือที่ผมขึ้นมาเนี่ยครับผมก็เลยเลยอยากให้หลวงพ่ออธิบายวิธีการขั้นตอนวิธีการฝึกอพอเข้าใจแล้วเนี่ยต้องทํำยังไงถึงจะไม่ให้มีเราอย่างเนี้ยครับถึงจะ ม, มันจะเข้าใจได้มากขึ้นเข้าใจในลึกซึ้งเข้าไปในจิตใจอย่างเนี้ยครับไม่ใช่ว่าให้เราคิดเอาอย่างเนี้ยครับเมื่อกี้ก็เป็นวิธีฝึกอย่างหนึ่งเนาะเมื่อกี้เนี่ยที่พูดเนี่ยก็คือฝึกเข้าฝึกออกเนาะแต่ทีนี้การฝึกแค่นี้มันไม่พอมันจะต้องฝึก รับรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเนี่ยที่จริงๆมันก็คือเป็นสิ่งเกิดดับทั้งหมดอ่ะเนาะร่างกายรูปก็เป็นสิ่งเกิดดับเวทานาก็เป็นสิ่งเกิดดับสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณก็เป็นสิ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะแจ่มแจ้งเนาะแจ่มแจ้งคือมันต้องอาศัยประสบการณ์ประสบการณ์คือของจริงของจริงไม่ใช่ว่าต้องไปจําไปจําใครหรือไปจําตำราไอ้นั้นก็ส่วนหนึ่งนะเออเป็นแค่แผนที่บอกทาง ภาคปฏิบัติเนี่ยต้องมีสติต้องรับรู้คือไม่เหมาเผลอเพลินเขาเรียกว่าให้รู้แต่เขาเรียกว่ารู้กายรู้ใจเนาะเพราะว่ามันแสดงความจริงแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาก็เพียงรู้เพียงเห็นก็จะเข้าใจเองว่าโอ้ที่แท้เนาะมันก็เป็นแค่สภาวะรูปธรมรมนามธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีอุปาทานอย่างที่ยอมว่าเนี่คือไม่หลงผิดไปยึดเมื่อไม่หลงผิดไปยึดความเป็นตัวตนก็ไม่มี เป็นแต่อนันตาเนาะคือไม่มีตัวตนเนี่ยตรงเนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ไงเพราะนั้นวิธีฝึกทำยังไงก็ก็คือถ้าพูดหลักก็คือเนี่ยต้องมีสติรู้กายรู้ใจเห็นตามความเป็นจริงที่มันกําลังปรากฏในปัจจุบันก็จะเห็นได้เองว่าอ๋อมันเกิดดับจริงคําว่าเกิดดับนี่มันเป็นคําบอกเป็นคําชี้แต่ว่าถ้าเห็นด้วยตนเองมันไม่ต้องมานั่งท่องว่าเกิดแล้วนะดับแล้วนะไม่ต้องหรอกเพราะว่ามันรู้อยู่มันรู้ได้นี่ สิ่งใดปรากฏก็รู้ได้สิ่งใดดับไปก็รู้ได้โดยไม่ต้องมาท่องเป็นคำบริกรรมว่าเกิดหนอดับหนอไม่ต้องมันรู้ไปเลยเประมาณนี้ครับทีนี้เรามาพูดถึงวิธีการกันต่อใช่ไหมครับหลวงพ่อครับทีนี้หลวงพ่อบอกว่าก็ให้ไปคิดเอาแล้วก็มาดูความจริงที่เกิดขึ้นที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันใช่ไหมครับไม่ถ้าถ้าหลัก ถ้าหลักเรียนรู้นี่เนาะจริงๆแหมมันก็ผสมกันบ้างกันเนาะว่าเออบางทีมันก็ต้องคิดพิจารณาใช่ไหมแต่ว่าถ้าการรู้แจ้งรู้จริงเนี่ยมันไม่ต้องคิดมันรู้ไปเลยรู้ตรงๆไปเลยเช่นนะสมมติเรื่องร้อนเมื่อกี้เนาะเวลาร้อนเนี่ยไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดเลยมันรู้เลยว่ามีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นเนาะไม่ต้องคิดเลยเพราะนั้นการรู้จริงเนี่ยคือไม่ต้องไม่ต้องอาศัยความคิดเออ มันก็จะง่ายตรงนั้นแต่ว่าความคิดบางทีมันก็ต้องคิดเพราะว่าเพื่อเพื่อเหมือนกับว่ามันก็ต้องคิดอ่ะเนาะธรรมชาติของคนยังไม่ตายมันก็ต้องคิดเพื่อให้เข้าใจแต่ความรู้ระดับความคิดเนี่ยมันก็เรียกว่าแบบมันมันยังเป็นอาศัยความปรุงแต่งโดยการคาดค่ในคำนวณหรืออะไรแล้วแต่แต่ถ้ารู้จริงอ่ะมันรู้แบบไม่ต้องคิดครับทีนี้พอผมร้อนใช่ไหมครับผมก็รู้ว่าร้อนแล้วยังไงต่อครับ เราอาจจะคิดว่ามันก็เป็นเรื่องเกิดดับแล้วสังเกตสังเกตให้สังเกตว่ามันเอ่าอย่างเนี้ยเนาะเราไม่ต้องคิดก็ได้พอมันร้อนเนาะแล้วก็ดูเราเข้ามาในร่มเพื่อเปรียบเทียบก่อนไงพอเข้าในร่มปั๊บเนี่ยมันไม่ต้องคิดหรอกแต่มันเห็นมันรู้เลยว่าเออตอนเนี้ยมันมันสบายขึ้นมันเย็นแล้วแค่เนี้ยมันก็เฉลยให้แล้วว่าความร้อนดับไปใช่ไหมมันเห็นนี่มันรู้ได้นี่ตรงนี้แหละก็พอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เรียนศึกษาไปเรื่อยว่า อาการอื่นๆ น, น, นะเช่นอาการทางใจเนี่ยหลวงก็กระโดดไปเช่นอาการในความรู้สึกในใจนะเช่นโกรธบ้างรักบ้างชอบบ้างเบื่อบ้างเสงี่บ้างเนี่ยมันก็เหมือนสิ่งนี้แหละสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับนะ mm. คนเราเนาะลองดูประสบการณ์ชีวิตว่าเกิดมาเนี่ยเคยโกรธมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็เคยหายโกรธเขาเรียกว่าความโกรธก็เคยดับไปแล้วทั้งนั้นอ่ะเคยดีใจแล้วก็เคย ความดีใจหายไปก็คือมันมีครบหมดแล้วไงอาการเหล่าเนี้มันก็รู้อยู่ว่าอ๋อทุกอย่างเกิดเองเกิดเองดับเองจริงๆเห็นไหมมันก็ประสบการณ์เนี่ยมันจะสอนเรามันจะรู้มันจะทําให้เกิดเข้าใจได้ว่าเอออายุมาแค่นี้เนาะทุกอย่างมันเคยผ่านมาหมดแล้วแต่ว่ามันก็ดับไปหมดแล้วแล้วก็ที่มีใหม่ก็คือเกิดใหม่เกิดใหม่มันก็ต้องดับดับใหม่เออมันก็สลับคั่วไปแบบเนี้นี่แล้วก็สามารถถอดถอนได้ ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นได้ว่าอ๋อมันมีแต่สิ่งเกิดสิ่งดับไม่มีตัวตนอะไรสําคัญนะเรื่องการเห็นความเกิดดับไงเพราะว่าถ้าไม่เห็นเนี่ยมันก็จะยึดถือเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าเห็นปั๊บมันจะรู้เลยว่าเอาสิ่งที่เคยมีแล้วมันไม่มีจะเรียกว่าตัวตนได้อย่างไรใช่ไหมยอยังโกรธโกรธเมื่อปีที่แล้วสมมตินะแล้วก็มันหายไปแล้วไงความโกรธนั้ น, น่ะจะบอกว่าเราโกรธได้ไงถ้าเราโกรธก็แสดงว่าความโกรธยังอยู่สิ แต่ความโกรธไม่มีแล้วไงเห็นไหมความโกรธไม่มีก็มันจะเป็นตัวเราได้งไงเนี่ยเมื่อมันไม่มีใช่ไหมล่ะเออถ้าถ้าเป็นตัวเราจริงมันจะต้องมีถาวรใช่ไหมเออประมาณอย่างงี้ครับโยมก็ถามดีนะทำให้เกิดปัญญาได้เราว่าคนฟังคนเดียอย่างยังเข้าไปที่ร้อนใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดก็คือความทุกข์ความร้อนความไม่สบายกายไม่สบายกายเราร้อนเราไม่สบายใจเกิดความอยาก อยากออกจากที่ร้อนตรงเนี้ครับก็อันนั้นก็ความอยากก็เป็นความเกิดเกิดลดดับเนาะความควาเอยากกา<ถ>คำถามคำถามคือต้องดูมันไหมครับหรือว่าไม่ต้องดูครับเห็นก็ร้อนตุกก็ออมันต้องสิ่งใดปรากฏถ้าผู้ฝึกสตินะรู้ในปัจจุบันว่าเอออะไรเกิดที่กายเกิดที่ใจรู้ให้ทันเนาะรู้ให้ทันโดยเฉพาะตัญหาเหตุแห่งทุกเนี่ยคือความอยากเนี่ยเช่นพอร้อนเนาะโอเครับรู้แล้วว่าร้อน แต่เพียงแต่รู้ว่าร้อนเนี่ยถ้าไม่มีความอยากนะมันจะไม่เป็นทุกข์ทางใจมันก็เป็นสักแต่ว่าคือแค่รู้ว่าร้อนแต่ถ้าอยากให้มันหายแล้วมันไม่หายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีตัณหาแล้วเป็นการผลักไสเป็นการเออไม่อยากได้ไม่อยากมีนะแล้วรู้ไม่ทันว่าอยากพอรู้ไม่ทันว่าอยากตรงเนี้ยมันก็ครอบงำจิตใจทาให้เป็นตัวทุกข์คือทาให้เกิดเป็นตัวตนขึ้นมาว่าเราเนี่ยเราทุกข์มากเราร้อนมาก แต่ถ้ามีสติรู้เท่าทันในตัณหาในความอยากมันก็ข้อศักดแต่รู้ว่าเอามันอยากแล้วรู้เท่าทันก็เลยแค่รู้เท่าทันแค่นั้นแหละมันทำอะไระครอบงมจิตใจไม่ได้เพราะรู้แล้วไงออรู้แล้วแล้วมันก็ดับเป็นปกติของมันปัญหาของนักปฏิบัติก็คือรู้ไม่เท่าทันในสิ่งที่กำลังปรากฏในปัจจุบันแค่นี้เองเพราะนั้นที่ที่ฝึกสติก็ฝึกอะไรฝึกให้รู้เท่าทันรู้เร็ว นะรู้เร็วในสิ่งโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจอะ่ะรู้เร็วต่อความคิดรู้เร็วต่อความรู้สึกแค่รู้เนี่ยถ้ารู้ทันเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ที่ที่มีปัญหาคือรู้ไม่ทันเพราะฉะนั้นวิธีก็คือเนี่ยก็เพียรเนานะเพียรฝึกสติให้มากต่อเนื่องฝึกให้มากจริงๆมากขนาดไหนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตลอดเวลา ย, ยกเว้นตอนหลับคือฝึกไม่ได้ ตอนที่ตื่นเนี่ยไม่ว่าจะฝึกในรูปแบบหรือนอกรูปแบบเนี่ยต้องรู้กายรู้ใจรู้ปัจจุบันเป็นขนาดตรงนี้แหละเป็นเป็นแบบฝึกหัดซึ่งต้องฝึกให้มากไม่มีใครช่วยใครได้ต่อให้หลวงพ่ออธิบายขนาดไหนแต่ถ้าไม่ไม่ไปฝึกสติเนาะมันก็ไม่ได้อะไรหรอกครับคือตากแดดนะใช่ไหมครับมันร้อนใช่ไหมครับเป็นทุกข์ใช่ไหมครับเกิดความอยากใช่ไหมครับ เรารู้แล้วใช่ไหมครับมันดับไปแล้วมันก็เกิดความอยากเกิดขึ้นเกิดความทุกข์เกิดขึ้นอีกมันก็ดับลงไปทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันใช่ไหมครับมันก็จะหลงไปทําตามสิ่งที่อยากก็คือทํายังไงก็ได้ให้มันหายอยากเช่นมาร้อนก็ไปหาเปิดพัดลมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคําถามถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปความอยากเกิดขึ้นแล้วเรารู้ไม่ทันหรือเราเรารู้ทันแล้วเราควรทํำยังไงต่อครับก็ไม่ต้องทําอะไรเราจริงๆอ่ะ ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะว่าจริงๆเราไม่มีนะเราไม่มีมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดดับเกิดขึ้นเท e ่านั้นเองเราไม่มีแต่ทีนี้ถ้ายัางเข้าใจผิดแม้กระทั่งปัจจุบันตอนนี้ยังเข้าใจผิดว่ายัางมีเราเนี่ยตรงนี้มันก็หลงไปแล้วหลงในปัจจุบันเลยทั้งที่หลวงพ่อก็บอกว่าไม่มีเราแต่พูดยังไม่ทันขาดคําเนาะมันก็หลงว่ามีเราหลงว่ามีเราตรงเนี้ต้องรู้เท่าทันว่าเอา้าหลงแล้วหลงว่ามีเรา แต่จริงอ่ะมันมีแค่สภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในปัจจุบันเกิดเดับดับไม่มีเราเลยก็เมื่อกี้เราคุยกันนะครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อบอกว่าไอ้ไอ้จะไม่มีเราเนี่ยวิธีการก็คือต้องมามีสติรู้ใช่ไหมครับอแต่ว่าคนปกติทั่วไปเนี่ยก็ตมันจะเกิดเกิดเราเองคือเราก็มีสติรู้แต่ว่ามันจะมันไม่สามารถที่จะ หมายถึงว่าให้คิดเอาใช่ไหมครับระหว่างเนี้ยระหว่างที่เรายังไม่เข้าใจอเนี้ยครับใช่ครับก็เราคุยเรื่องนี้อยู่อยูอ่ะครับแต่ทีนี้ว่าอคือเราคุยทฤษฎีแล้วก็ทฤษฎีมาปฏิบัติใช่ไหมครับมันก็คือละปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถูกต้องไหมครับทีเนี้ยที่ที่เราคุยกันอยู่เนี้ยทีนี้ผมก็คุยกับถามล่าสุดที่ถามหลวงพ่อครับว่าเอมีสติและเลือกรู้ใช่ไหมครับ รูวว้ความทุกข์เราเห็นว่ามันร้อนถูกต้องไหมครับเห็นความอยากอยากออกจากที่ร้อนถูกต้องไหมครับทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่าทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าไม่มีเราทีเนี้ยจะเอามาปฏิบัติเนี่ยครับที่ว่าเรารู้แล้วเนี่ยหลวงพ่อบอกว่ารู้ไปแล้วก็ไม่ต้องสนใจมันสมมุติว่าถ้ารู้ไม่ทันความอยากอยากหนีออกจากความร้อนเนี่ยเราหลงไปตามความอยากก็ปล่อยมันไปอย่างเงี้ยครับแล้วที่นี้หลวงพ่อก็บอกว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่มีเราเนี่ย ไอ้อันเนี้ยเราจะใช้สติรู้ได้ยังไงเพราะว่าปกติเนี่ยมันคนที่ยังไม่บรู้ลุธรรมเนี่ยก็ยังมีอัตราตัวตนถูกต้องไหมครับเพราะมันยังละสังโยอดไม่ได้แล้วที่หลวงพ่ออธิบายเนี่ยคือเอามาใช้หรือเอามาปฏิบัติเนี่ยในขั้นตอนเนี้ยคืออย่างไรครับก็คือพราะมีสติรู้รู้เห็นว่ามันร้อนมันทุกข์มันอยากออกจากทุกข์มันทรมานพอรู้ปุ๊บมันหายไปความอยากหายไปสภาพความอยากก็อยากออกจากที่ร้อนเกิดขึ้นอีกแล้วอย่างเงี้ยครับ เรารู้แล้วเนี่ยแล้วที่หลวงพ่อพูดเมื่อสักครู่เอามาใช่ยังไงครับหรือว่าเอามาคิดเอาว่าหรือว่าเอามารู้ยังไงอย่างนี้ครับหรือว่าแค่คิดเอาก็พอครับอันเนี้ยคือคําถามครับหลวงพ่อก็ตอบเป็นปัจจุบันนะปัจจุบันเดี๋ยวนี้ยตอนเนี้นะกําลังคุยกําลังถามตอบกันอยู่สิ่งที่เราถ้ามีสตนะิก็คือรู้ปัจจุบันพูดก็รู้นิ่งก็รู้ แต่เมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อแค่ยกตัวอย่างเรื่องความร้อนอันนั้นเป็นแค่ยกตัวอย่างในขณะปัจจุบันนั้นๆว่าเออในขณะปัจจุบันนั้นๆเนี่ยให้เห็นสังเกตความเกิดขึ้นบ้างความเสื่อมไปบ้างถ้าสังเกตเห็นความเกิดขึ้นบ้างความเสื่อมไปบ้างนั่นเท่ากับว่าเห็นความเกิดและก็ความดับเมื่อมันดับไปแล้วเนี่ยนะจะถือว่ามีตัวมีตนได้อย่างไรตรงนี้ก็เท่ากับว่าเกิดปัญญาได้ขณะที่เห็นความดับไป ว่าตัวเราไม่มีเนาะเพราะตอนนั้นกำลังพูดถึงสภาวะความเย็นหรือว่าความร้อนในปัจจุบันนั้นนั้นะแต่ปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้ให้กลับมารู้สึกตัวว่าตอนนี้หยุดพูดแล้วก็ให้รู้สึกตัวว่าหยุดพูดแล้วเห็นไหมการพูดเนี่ยหยุดแล้วไม่มีการพูดอันนี้หมายถึงว่าทางวาจาเนาะแต่ถ้าละเอียดกว่านั้นเนี่ยสามารถเห็นจิตนะเห็นจิตคิดภายในได้ ถึงแม้ว่าจะหยุดไม่พูดทางปากแต่ในใจเนี่ยกำลังคิดกำลังนึกอยู่นะกำลังมีข้อสงสัยกำลังอยากจะถามกำลังอยากจะได้คำตอบเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสภาวะในจิตที่กำลังเกิดและก็กำลังดับถ้ามีสตินะที่ตั้งมั่นเห็นอยู่รู้อยู่ก็จะเห็นว่าอ๋อ ในจิตในใจเนี่ยมันมีความปรุงแต่งอยู่เกิดเกิดดับๆนะเพียงแต่เฝ้ามองตรงนี้ก็จะเห็นความจริงของจิตของใจว่ามันก็ไม่เที่ยงนะมีแล้วเสริมไปมีแล้วดับไปเห็นอยู่อย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจด้วยปัญญาเองว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ 100% แล้วก็สิ่งเกิดสิ่งดับมันไม่ใช่อัตตามันก็เป็นอนัตตาอยู่แล้ว การเข้าใจความเป็นอนัตตานั้นหมายถึงว่าเข้าใจว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงนะมันเป็นแค่สิ่งเกิดสิ่งดับมีแล้วหมดไปไม่มีอัตตาอยู่จริงแต่ทาไมจึงมีอัตตาก็เพราะว่าไม่เห็นความจริงไม่เห็นในปัจจุบันขณะพูดอยู่ก็ไม่รู้ไม่เห็นใจคิดนึกอยู่ก็ไม่รู้ไม่เห็นกำลังมีความรู้สึกอยู่ก็ไม่รู้ไม่เห็น สิ่งเหล่านี้มันเป็นของจริงคือภาคปฏิบัติแต่ถ้าเราลืมตรงนี้ไปมันก็จะหลงแน่นอนหลงพูดหลงคิดแต่ไม่เห็นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้องการาให้พวกเราเนี่ยพ้นทุกข์ในปัจจุบันคือเห็นความจริงตอนนี้เดี๋ยวนี้ว่าไม่มีเราการที่ไม่มีเราก็ด้วยด้วยเหตุผลที่หลวงพ่อพูดมาคือเห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันขณะว่า มีแต่สิ่งเกิดสิ่งดับเท่านั้นเองนอกจากสิ่งเกิดสิ่งดับไม่มีอะไรปรากฏเลย